มีธรรมะข้อหนึ่งชื่อว่าอายุวัฒนธรรมคือธรรมะว่าโดยอายุวัฒนะท่านจะบอกเรนหนึ่งต้องรู้จักทำตัวให้สบายฟังดูก็ดีนะแต่คนบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินข้อนี้เพราะไปเคี่ยวผู้เจ้าสอนผู้เจ้าสอนให้ลำบากจริงผู้เจ้าเนี่ยเห็นว่าความสบายเป็นของดีเราต้องรู้จักทำตัวให้สบายทำไมผู้เจ้าพูดเช่นนี้ ก็เพราะว่ามีบางคนเนี่ยเขาหาเงินหาทองมาได้เยอะแยะแต่ก็หนีทีเหนียวไม่ยอมเลี้ยงตัวให้สบายในสายพุธการนี่มีเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยซึ่งมีเงินเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่ากินข้าวกินข้าวกินข้าวหักอะ่ะแล้วกินกับกินกับน้ำพริกนะเสื้อผ้าก็ปูปนะบ้านก็สอมซ่อ ตายไปเพราะว่าเงินเหลือเยอะแยะเลยเงินก็ต้องเอาครอบครังหลวงผู้เจ้าพระที่ยินเรื่องของเศรษฐีคนนี้ก็เลยบอกว่าเป็นคนที่โง่เป็นไม่ใช่บัณฑิตเพราะบัณฑิตเนี่ยต้องรู้จักหาเงินรู้จักหาเงินไปแล้วเนี่ยต้องรู้จักเลี้ยงตัวให้สบายแล้วก็เลี้ยงให้ผู้อื่นสบายด้วยก็ ค, คือว่าให้ให้ให้ลูกให้เมียให้ครอบครัวเนี่ยมีความสุข แต่ก็มีบางคนนะไม่สนใจเลยปล่อยให้รูปเมียลำบากนะอันนี้พระเจ้าก็ไม่สนเสริญงั้นข้อแรกเลยหนึ่งต้องรู้จักทาตัวให้สบายแต่ว่าไม่จบนะข้อสองต้องรู้จักประมาณในความสบายรู้จักประมาณในความสบายตรงนี้สำคัญเพราะทุกวันนี้เนี่ยเราไม่รู้จักประมาณในความสบาย คนสมัยนี้สบายจนสบายสบายแล้วก็สบายอีกแล้วก็เพลินหลงในความสบายไม่รู้ว่าเท่าไหร่เนี่ยควรจะพอยอย่างเช่นเดี๋ยวน้เนี่ยเราสบายอยู่ทั่งเราสบายประเภทที่เรียกว่าฉันไม่ออกกำลังกายแนละ้วนะจะเดินขึ้นจะจะขึ้นจากชั้นหนึ่งไปชั้นไปชั้นสมเนี่ยถ้ามีลิฟต์เนี่ยฉันใช้ลิฟต์ล้ฉันไม่เดินแล้ว บ้านอยู่บ้านอยู่ในซอยจะไปซื้อของที่ปากซอยเนี่ยบางที่2 0 0เมตรสารอเมตรนี่ฉันไม่เดินละฉันนั่งรถหรือไม่ฉันก็ขี่มอเตอร์ไซค์เด็กเนี่ยพอกลับมาถึงบ้านสมัยก่อนล้วก็กลับมาถึงบ้านเรวก็วิ่งเล่นใช่หหรือไม่เราก็อาจจะช่วยงานบ้านแต่เดี๋ยวนี้กลับมาก็ วางกระเป๋าเสร็จเปิดโทรทัศน์แล้วก็นั่งดูโทรทัศน์ดูโทรทัศน์เนี้ยไม่พอต้องหาอะไรมากินด้วยผู้ใหญ่ก็เป็นอย่างนี้เราไม่เราสบายจนกระทั้งเราไม่คิดที่จะใช้แรงไม่คิดที่จะออกแรงเดินไม่คิดที่จะออกแรงทำงานเราใช้เงินตลอดเลยแล้วผลเกิดขึ้นตามมาคืออะไรฮะ เดี๋ยวนี้คนไทยเป็นโรคอ้วนมีน้ำหนักเกินนะมากขึ้นมีการประมาณว่าคนที่อายุ30ปีขึ้นไปในประมาณ 30% คนไทยนะ30ปีขึ้นไป 30% เนี่ยมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน <c oughs> เด็กก็นี่เด็กก็ไม่ได้ต่างเด็กก็ไม่ได้ต่างอย่างนี้เท่าไหร่นะ แล้วเกิดอะไรขึ้นมาเกิดโรคที่กระทรวงสาธารณสุขเรียกว่าโรคขี้เกียจเคยดินนะโรคขี้เกียจกระทรวงสาธารณสุขนี่เขาเขาเป็นคนเป็นคนบัญญัติส้ำนี่ขึ้นมาเองตระทั่งต้องให้เกิดมีการลรณร ง, งให้ออกกําลังกายกันอาทิตย์ละสามวันวันละครึ่งชั่วโมงใช่ไหมโรคขี้เกียจนี่คนไทยตายเพราะโรคขี้เกียจนี่ทราบไหมา ชั่วโมงเท่าไหร่อะเคย <c oughs> เคยรู้สถิติไหมชั่วโมงละเกคนตายเพราะโรคขี้เกียจ น, นะโรคหัวใจโรคหลอดโลือดหิวโรคโรคเบาหวานโรคความดันนะนี่เพราะอะไรฮนะเพราะว่าสบายมากไปแล้วก็ไม่รู้จักประมาณในความสบาย เราไปนึกว่าเออไปไหนมาไหนไม่ต้องเดินนี่เป็นของดีนะไปไหนมาไหนไม่ต้องไม่ต้องขึ้นบันไดใช้ลิฟต์เป็นของดีนะเราไปคิดว่าเออถ้าสบายแล้วเนี่ยยิ่งสบายยิ่งดีนะฝรั่งเนี่ยเขาคิดเขาคิดแบบนี้เป็นเส้นตรงนะคือยิ่งสบายยิ่งดีใช่ไหมแต่ของไทยเนี่ยมันเป็นเป็นอย่างนี้มันจะเป็นเส้นโค้งภูมิปัญญาไทยนะ เป็นเส้นโค้งก็คือว่าสบายทีแรกก็สบายสบายมากๆ ก, ก็ดีนะแต่พอถึงจุดหนึ่งนะถ้าสบายต่อไปนะมันตกแล้วะมันตกแล้วคือมันเริ่มแย่แล้วแนวะคิดฝรั่งกับแนวคิดไทยนต่างกันยิ่งสบายยิ่งดีนะสบายก็ยิ่งดียิ่งสบายก็ยิ่งดีสูงไปเรื่อยยิ่งดีนะแต่ของไทยเนี่ยมันเป็นเส้นมันเป็นเส้นโคน้งคือสบายใหม่หมๆเนี่ยดี ดีดียิ่งดีแต่วาอถึงจุดหนึ่งนะถ้าสบายมากไปกลายเป็นความรู้หลาฟุ่มเฟือยนั้นมันเริ่มเริ่มตกแล้วแล้วเจนได้มาว่าคนนี้คนในเมืองเนี่นยมีปัญหาสุขภาพเยอะมากท่านั้งที่ชีตมีความสะดวกสบายเยอะแล้วเดี๋ยวนี้คนในชนบทก็เริ่มเป็นังมากขึ้นอันนี้ลก็เรียกว่าไม่รู้จักความพอดีไม่รู้จักความสมดุลนะ เมื่อกี้จะมาพูดถึงเรื่องวัตอายุวัฒนธรรมเนี่ยนะอข้อเลยใช่มรู้จักทาตัวสบาย2รู้จักประมาณในความสบาย3กินอาหารที่ย่อยง่ายอาหารนี้ย่อยง่ายฮมเบอร์เกอร์เนียเนื้อสเต็กเนี่ยย่อยง่า ย, นะยวนีคนไทยเรากินเนื้อมากนะ เราเชื่อการกินเนื้อมันเป็นของดีแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็รู้แล้วว่ามันมันเป็นโทษผู้เจ้าก็ตรัสไว้นานแล้วการการกินอาหารที่ย่อยง่ายเนี่ยสมัยก่อนเราเรากินเนี่ยเรากินเนื้ออะไรเป็นส่วนใหญ่เนื้อเนื้อปลาใชฮะเนื้อหมูเนื้อเนื้อวัวนี่ไม่กินกันหรอกส่วนก็เพราะว่าเนื้อวัวเนื้อควายเนี่ยเราถือว่าเป็นเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณเนื้อหมูนี่เราคนไทยเราเพิ่ง เลี้ยงหมูนี่เราเพิ่งมาเลี้ยงเมื่อมีคนจีนเข้ามาข้อสามสามข้อนะฮะข้อสี่ก็คือแปลกนะฮะข้อสี่เนี่ยคือมีศีลการมีศีลนี่ทำให้สุขภาพดีสุขภาพดียังไงอ่ะก็ถ้าเราไม่ไปเบียดเบียนใครเราไม่ไปทำร้ายใครเราอยู่ในศีลห้าเนี่ย นะพอเราไม่ไปเบียดเบียนใครเนี่ยมันก็ไม่มีใครมาเบียดเบียนเรานะเราก็มีสุขภาพดีไม่มีใครมาตีหัวไม่มีใครมาทำร้ายและข้อ5้าก็สำคัญนะการมีสี่งก็หล่นการการดื่มการไม่กินเหล้าเมาสุรารวมไปถึงเรื่องอะไรยังมุก สีนี่จริงๆมันไม่ใช่แค่สีถ้ามันรวมเรื่องอาไบาามุกได้ด้วยบางคนเวลานี้เนี่ยไปอยู่กับไบมุกมากนะไม่ใช่เฉพาะเล่าอย่างเดียวยาเสตตินะบุรีการพันนันนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะรวมทั้งการเที่ยวกลางคืนสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้สุขภาพยำแย่ใช่ไหมฮะ เห็นสีเนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่เกี่ยวกับสุขภาพนะแต่สำหรับภูมิปัญญาไทยหรือแนวคิดแบบพุทธเนี่ยสีเนี่ยกับสุขภาพเนี่ยมันแยกกันไม่ออก mm. นะข้อห้ า, ามีกัลยาณมิตรมีมิตร ด, ดีในกัลยาณมิตรเนี่ยกับสุขภาพนี่เกี่ยวข้องกันมากนะ เพราะกิริยา น, นมิตเนี่ยก็อาจจะทำให้เรามีศีลทำให้เราไม่ใช้ชีวิตแบบแบบทำร้ายตัวเองเพื่อนที่เป็นปลาประมิตรพาเรากินเหล้าพาเราเที่ยวกลางคืนพาเราเล่นการพา น, นั น, นสุขภาพก็ย่าแย่บางทีก็เกิดอุบัติเหตุ รถชนแล้วจะเห็นได้ไหมว่าอสุขภาพเนี่ยกับการที่จตมาพูดตั้งแต่แรกวสุขภาพกับการดําเนินชีวิตที่ผาสุกเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกัน <c oughs> เพราะว่าการมาินชีที่ผาสุกเนี่ยมันต้องมันต้องมีศีลมันต้องมีมิตรที่ดีนะหลีกเลี่ยงเพื่อนชั่วมงคลสูตรพว่เรารู้จักใช่ไหมมงคลสูตรเนี่ย ข้อแรกนี้เริ่มต้นว่าอะไรฮ ะ, ะพวกเราพวกเราทั้งหลายที่ชอบสีมมงคลกันใช่ไคนไทยแสวงหาไาสมมงคลกันป่แสวงหาใช่แต่สมมงคลที่อแ ส, สวงหาไม่ได้หรอกฮะมันต้องทามงคลเนี่ยมงคลสูงสุดในพุทธศาสนาเนี่ยมีสาข้อข้อแรกเลย 1อเสวนาจะพาลา น, นังการไม่คบคนชั่วสองปันทิตา น, นันจะเสวนาการครบปัณฑิตคือการครบคนดีเนี่ยคือมงคลมงคิบมงคลไปช็วืมงคลก็คือการที่พระลดน้ํามนต์เป็นมงคลการที่พระมาเจมิมเป็นมงคลหรือว่าพระท่านให้ให้พรกเครื่องนี้เป็นมงคล หรือว่าพระท่านเป่ากรหมอมี่เป็นมงคลแต่ผู้เจ้าบอกว่าอันนั้นไม่ใช่มงคลเนี่ยไม่มีใครทำให้เราแต่เราต้องทำเองและข้อแรกเลยก็คือการไม่คบคนชั่วข้อที่สองการครบคนดีหรือบัณฑิตอันนี้มันเกี่ยวกับสุขภาพนะครับพศาสนาถือว่าเนี่ยคืออายุวัฒนธรรมคือ คือทำที่ทําให้เกิดอายุวัฒนะเคยมีการไป ส, สอบถามสัมภาษณ์เนี่ยคนแก่แกอายุร้อยกว่าปีในเมืองไทยก็มีนะในเมืองนอกก็มีเยอะคนที่มีอายุยืนนานที่สุดในเวลานี้เ็นอายุประมาณ120ปี หลายคนเนี่ยจะพูดเลยว่าเนี่ยนะว่าเขาเนี่ยนะรู้จักควบคุมอาหารนะออกกำลังกายแล้วก็มีครอบครัวหรือว่าอยู่ในชุมชนที่ดีและส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในชนบท เอ๊ะทำไมถึงอยู่ในเมืองอายุถึงไม่ค่อยยืนฮะบุรพิษแล้วอะไรอีกฮะอาหารมีอะไรไหมสิ่งแวดล้องนี่เป็นยังไงอ่าใช่เนี่ยบุรพิษอาหารไม่มีเรื่องอะไรอีกอารมณ์มใช่ ชีวิตในกรุงเทพนี่มันเร่งรีบชีวิตในเมืองที่มันเร่งรีบนะแล้วผู้คนก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะเครียดนะคนในเมืองนี่เครียดนะซึ่งมันแปลกนะเพราะว่าในเมืองนี่มันเต็มไปด้วยสิ่งสิ่งบันเทิงอย่างในกรุงเทพหรืออย่างโคราชนี่ก็าตามเนี่ยแหล่งบันเทิงเริงรมนี่เยอะไปหมดเลย แต่สมาชิก อ, อะไรในโคนลาเนี่ยแหล่งบันเทิงเนี่ยมีมากกว่ามีมากกว่าวัดแล้วก็มีมากกว่าโรงเรียนด้วยอันนี้ไม่ใช่แหล่งบันเทิงเดียวโทรทัศน์ทิยสื่อพนีมีแต่ความบนะันเทิงนะความบันเทิงเนี่ยอยอยู่ในอากาศเปิดิยตอนนี้ก็มีเสียงเพลงเปิดโทรทัศน์เปิดโทรทรัศน์ตอนนี้ ก็มีรายการทอล์คโชว์สนุกสนานในเมืองเนี่ยมันเต็มไปด้วยความบันเทิงแต่ทำไมคนถึงเครียดน่าแปลกนะแต่ว่ายังไม่ยังไม่ยังไม่อธิบายตอนนี้อานนี้เนี่ยตมากลางจะพูดว่าสุขภาพนเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ครอบคลุมหลายมิติมันไม่ใช่เป็นเรื่องของอาหารอย่างเดียว มันไม่ใช่เป็นเรื่องของร่างกายอย่างเดียวมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตนะซึ่งเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าสุขภาพองค์รวมนะองค์รวมก็คือว่ามันมีหลายมิติเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องสมรรถภาพ สมัยก่อนเนี่ยเราคิดว่าคนที่คน ท, คนที่คนที่เจ็บป่วยเนี่ยสุขภาพไม่ดีเนี่ยเป็นเพราะร่างกายผิดปกติแต่เดี๋ยวนี้เราพบมาขึ้นว่ามันมีสาเหตุมากมายมันไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารอย่างเดียวมันไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเดียวแต่มันยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตใจด้วยมีรายหนึ่งเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยแกเป็น แก ย, ยังไม่มานะยังก็ยังเป็นอายุ20กว่ากว่านเป็นโรคปวดหัวเรื้อรังปวดท้องความดันนะเป็นมาหลายปีอาจจะนับ10ปีด้วยซ้ำไปหาหมอหาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หายหมอก็แปลกใจนะฮะเพราะว่าตรวจสุขภาพเนี่ย มันไม่มีอะไรผิดปกติเลยความกยกเว้นความดันนะหมายถึงว่าความดันเนี่ยมันดูว่าเอ้ยที่มันความดันสูงเพราะอะไรเป็นเพราะโรคหัวใจไหมเป็นเพราะมีอะไรผิดปกติในร่างกายไหมก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรผิดปกติหมอก็แปลกใจหมอก็เลยสงสัยที่แรกหมอก็ท้อแล้วนะไม่รู้จะยยรักษายังไงแต่แล้วแกก็แกก็ฉุกคิดขึ้นมาก็เลยถาม ถามถามผู้ป่วยว่าไหนลองคุณลองเล่าประวัติคุณน้อยฟังหน่อย ผ, ผู้ป่วยนี่ก็คนไข้นี่ก็เล่าไปเล่ า, ล า, ลาประวัตินะเลอาไปเล่าไปเาไปขาพูดถึงเรื่องพี่สาวเนี่ยอารมณ์จะขึ้นเลยออกอาการให้หมอเห็นเลยหมอก็เลยสงสัยว่าคงจะเกี่ยวข้องกับพี่สาวคือแกไม่มีแกมีความไม่พอใจพี่สาวโกรธ น้อยอต่ำใจพี่สาวที่ว่าไม่ดูแลแกันเลยนะคือไม่มีแม่แล้วเนี่ยก็หวังพึ่งพี่สาวพต่งพี่สาวก็ไม่สนใจก็เลยโกรธขับแค้นผสมกับความน้อเอต่ำใจหมอเลยบอกว่าจะนัดนอย่างนึ่งได้์ไหม ก็คือว่าให้คุณเนี่ยให้อาภัยพี่สาวคนไข้ไม่เชื่อนะคนไข้บอกมันไม่เกี่ยวอะไรกับโรคของฉันเสร็จแล้ว ก, ก็หายไปเลยแหนึ่งปีต่อมาหมอก็ได้รับเปิดหมายจากคนไข้คนนี้แหละบอกว่าเดี๋ยวนี้หายแล้วโรคอะ่ะเพราะว่าได้ทำตามที่หมอแนะนำก็คือ ไปให้อาภัยที่สาวได้ถือโทษเกลดเครื่องพี่สาวหายเลยฮนะห็นไคือเรื่องของความโกรธนี่สําคัญนะความโกรธความเครียดเนี่ยมันเป็นปัจจัยของโรคมันเป็นปัจจัยความเจ็บป่วยไม่ใช่โรคนะฮะมันเป็นปัจจัยความเจ็บป่วยคนที่แกไม่มีโรคนะฮะแกไม่มีโรค มีแต่อาการความดันนะปวดหัวเรื้อรังนะปวดท้องแต่ไม่มีโรคนะเพราะหมอหาโรคไม่เจอแต่แกไม่สบายความไม่สบายนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากร่างกา ย, ยแต่เกิดจากจิตใจอันนี้เนี่ยมันทำให้แนวคิดเรื่องสุขภาพเปลี่ยนสมายก่อนสุขภาพก็บอกว่าสุขภาพหมายถึงความไม่มีโรค ไอ้คนไม่มีโรคสุขภาพไม่ดีก็มีนะอย่างคุยผู้หญิงคนนี้แกไม่มีโรคแต่แต่สุขภาพแย่ใช่ไหมแกไม่มีโรคนะแต่แกป่วยอะ่ะต่างกันนะเขาเคยนิยามว่าสุขภาพคือความไม่มีโรคนะไอ้โรคนี่ในที่นี้เขาก็เล็งไปถึงโรคทางกายแต่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยแกไม่มีโรคทางกายแต่แกมีอาการเกิดป่วย สุขภาพแกไม่ดีเพราะแกมีปัญหาด้นานจิตใจก็คือว่ามีโรคทางจิตก็ได้นะอจจะาจารย์พระแท้รยว่าโรคทางวิญญาณโรคทางวิญญาณคือความป่วยความเครียดความกังวลถ้าจิตใจมันสัมพันธ์กับร่างกายมากเลยถ้าจิตใจแย่ร่างกายก็แย่อาจารย์พระเวทไลฟฟังนะฮะอาจารย์พระเวทวสีเนี่ยเป็นหมอทางด้านโลหิต อาจารยเวล่าว่ามีคราวนหนึ่งเนี่ยมีนักศึกษาแพทย์เนี่ยเข็นเข็นพาผู้ป่วยมาผู้ป่วยต้องนอนเปลมาเป็นคุณลุงนะฮะผมมาจากต่างจังหวัดตัวซีดเลยไม่มีแรงฮนะต้องนั่งต้องต้องนอนเปลมามาให้คุณหมอเนี่ยคือไม่ใ้คุณไม่ใ้คุณหมอประเวศนี่ตรวจเพรหมอคุณหมอประเวศนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา คุณหมอดูอาการแล้วสักถามประวัติแล้วก็พูดกับนักศึกษาพแทยว่าไม่มีอะไรหรอกเป็นโรคโลหิตจางเพราะว่ามีเพยยียรปากขอนะเดี๋ยวก็ให้กินให้กินเหล็กไม่กี่วันก็หายคนไข้ก็ได้ยินนะได้ยินพอได้ยินเสร็จก็ลุกขึ้นมาเลยบอกว่าถ้าคุณหมอพูดว่ามันง่า ย, ยานี้ผมก็ไม่ต้องใช้เปร์แล้ว เนเปออกไปเลยทีแรกไม่มีแรงนะไม่มีแรงนะแต่พอบอกว่าไม่มีอะไรโรคปาก อ, อ, ก อ, อไม่รู้เอาเรียองแรงมาจากไหนทาไมทีแรกไม่มีแรง เ, เดินไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าอะไรตอนนั้นคงคิดว่าสากูเป็นมะเร็งเม็ดเลือดลวมั้งคือพอคิ่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดมันไม่มีแรงเห็นใะ่ใจไง คือใจเนี่ยใจกลัวใจเสวตัวเองนี่เป็นโรคร้ายเนี่ยไม่ไม่มีแรงแต่พร ะ, ระมหาปุ้กใหบอกให้มีอะไรงรอกเป็นพยาเดี๋ยวเดี๋ยวกินเหล็กไปกินเหล็กเข้าไปก็ดีขึ้นก็เลยรู้สึกว่าหมดกังวลเลยหายกังวลเลยหายกังวลหายกังวลเรียวแรงก็กลับมาใช่ไห ม, ไมความเจ็บปวดคนเรานี่มันอยู่ที่ใจมากนะบางคนเนี่ย<อ>เคยที่ใช่ไหมบางคนเนี่ย หมอตรวจผิดหมอว่าเป็นโรคหัวใจเพรว่าเป็นโรคหัวใจเนี่ยหมดแรงเลยไอ้ที่เคยมีกิจวัตรไปไปตลาดจ่ายกับข้าวเช้าเย็นเช้าเย็นนะไม่มีแรงขึ้นบันไดก็ไม่มีแรงใช่ไหมอาจารยประเวศก็เหมือนกันที่เขล่าว่าเนี่ยคุณพอพอมาเห็นอาการอย่างนีเลยคุยไปคุยมาก็เลยบอกว่าป้าไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะไม่ได้เป็นโรคหัวใจหรอก แกกับมีเรื่องมีอะไมีกิจวัตรดำเนินตามปกติเรื่องใจสําคัญนะตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องชิงหมอเนี่ยหมอทางกายภาพไม่มีทางวินิจฉัยได้นะนะการกระจายสำคัญแล้วยังมีคราวนี้ อ, อาจาจะพูดถึงเรื่องอีกปัจจัยนึงคือสัมปภาพ สมรรถภาพเมื่อกี้สุภาพองร์รวมเนี่ยมนันเรื่องเกี่ยวกับกายจิตนะฮะแล้วก็สมรรธภาพการมีมิตรดีการมีมิตร ด, ดีการมีชุมชนที่อบอุ่นก็ทำให้มีสุขภาพดีเวลานี้เราพบว่าคนหลายคนใน คนในเมืองเนี่ยจำนวนไม่น้อยที่เป็นโรคความดันที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยหลายคนเลยเนี่ยสังเกตวิธีชช่วยเขาเนี่ยเป็นวิถีช่วยที่ส่วนหนึ่งเกิดจากความเร่งรีบแข่งขันส่วนหนึ่งคนเหล่านี้เนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยเป็นพวกที่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวซึ่งเป็นลักษณะขอ ง, ของคนในเมืองใหญ่ๆ อยู่คนเดียวนะมีคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นโรคหัวใจนะหัวใจอย่างหนักเลยนะอายุหกสิบกว่าแล้วก็เคยเคยมีครอบครัวแล้วตอหลังก็หยากันแล้วจะหยากันไม่นานก็ไปตรวจก็พบพเป็นโรคหัวใจ ทีแรกเ็าคิดว่าเออเป็นเพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกายกินอาหารไม่ถูกต้องแกก็เลยควบคุมอาหารออกกำลังกายแต่ก็ดีขึ้นไม่มากก็รสึกท้แล้วก็ตรวจตัวเอง ม, มันคงมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแกก็ไปศึกษาคนควาเกี่ยวเรื่องโรคหัวใจก็พบว่ามันก็มีรายงานทางการแพทย์ที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพบว่า โรกหัวใจส่วนนึงเกิดจากชีวิตที่มันหงอยเหงาโดดเดี่ยวซึ่งมันก็ไปตรงกับชีวิตแกชีวิตแกเป็นคนที่ไม่เอาใครนะเป็นคนที่เก็บตัวไม่ค่อยไปสนใจใครทั้งสิ้นทำงานเสร็จก็กลับมาที่บ้านก็เก็บตัวพอแกพอแกได้ได้อ่านทำได้อ่านรายงานการวิจัยนี้แกก็เลย สงสัยว่าเป็นเพราะแกเก็บตัวหรือเปล่าแกก็เริ่มออกไปสัมพันธ์กับผู้คนนะไปช่วยงานอาสาสมัครไปช่วยกิจกรรมที่มันมีเรื่องการเรื่องเกี่ยวกับส่วนรวมนะไม่ใช่แค่ไปงานสมาคมเฉยๆแต่ว่าออกไปทํางานเป็นอาสาสมัครต่างๆด้วยปอกกัว่าอาการแกดีขึ้นนะอาการแกดีขึ้น แล้วก็โรคหัวใจก็เบาไปเยอะเลยแล้วชีวิตมีความสุขขึ้นนะเพราะว่าพอแกออกพอแกเปิดตัวออกไปสู่สผู้คนแล้วเนี่ยชีวิตมีความสุขสุขทั้งใจแล้วก็สุขทั้งกายเพราะโรคหัวใจมันหายไปแกบอกนี้นะแกบอกว่าโรคหัวใจเนี่ยเป็นสิ่งดีที่สุดสิ่งหนึ่งในชีวิตของแกเลยแกบอกนี้นะ โรคหัวใจ เ, เป็นสิ่งที่ดีสุดอย่างหนึ่งในเช่วงแกเพราะอะไรเพราะทำให้ทำให้เพราะมันโลกหัวใจเปิดชีวิตแกไปสู่ผู้คนโรคหัวใจมันช่วยเปิดใจของแกให้กว้างนะแล้วไในตอนนเวลานี้เนี่ยเราพบว่าการการย่อยยาโรคหัวใจอย่างหนึ่งคือการการออกไปพบปะผู้คนหรือว่าอย่างใ น, น้อยเนี่ยเลี้ยงสัตว ฝนะรั่งนี่เขาเดี๋ยวนี้เขานิยมเลี้ยงสัตว์นะเพราะว่ามันเหงามากเลยแล้วการที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเนี่ยบางคนเลี้ยงหมูนะช่วยได้ <c oughs> มีเรื่องแทรกเรื่องหนึ่งนะเลี้ยงหมูเนี่ยมีแก่มีคนแก่คนหนึ่งนะเป็นโรคหัวใจฮะแล้วไม่คงไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สร้างกันแกเลี้ยงทั้งหมาแล้วก็เลี้ยงทั้งหมู หมูหมูเวียดนาม น, นะหมูดำๆเนี่ยที่ประเทศอเมริกานะแล้ววันหนึ่งแกโลกหัวใจกับกําเลอร์ไอหมูเนี่ยพอมันรู้เนี่ยมันทำไงฮะขณะที่หมาเนี่ยเอาแต่เหา่าเห่าเห่าหมูเนี่ยแค่อายุขวบเดียวนะพอเห็นเจ้านายเนี่ยทำท่าจะแย่แล้วเนี่ยมันออกไปนอกบ้าน มันออกไปนอกบ้านเนี่ยคือคือประตูฝลั่งเนี่ยมันจะมีมันจะมีมันจะมีมันจะมีรูให้ออกได้แต่ที่จริงเป็นประตูสําหรับหมาแต่ว่าไอ้หมูเนี่ยมันมันก็ต้องพยายามมุดเข้าไปเอามันออกไปทําไมฮะฮะมันออกไปหาคนช่วยมันไปที่พอมันออกไปข้างนอกเนี่ยมันมีแต่รถเนี่ยมีแต่รถผ่านไปผ่านมามันก็ยืนอยู่บนพุตบานแล้วก็ งงไม่รู้ทำยังไงดีใช่ไหมเสร็จแล้วคิดขึ้นมาได้มันก็ออกเดินไปกลางถนนไม่ใช่ขวางถนนอย่างเดียวนะมันแก้งแล้วมันก็นอนตายแก้งนอนตายเอาขาสี่ขาขึ้นมาให้มันเอาความคิดนี้นมองไหนนะว่าท่าตายคือท่านั้นนะนะขณะที่หมาเนี่ยนะยังเห่าอยู่เลยนะ แต่ว่าไอ้หมูตัวนี้มันออกไปนอกบ้านแล้วไปไปช่วยแล้วก็รถเนี่ยมันก็มาจอดพราะมไปไหนไม่ได้ไงเสร็จแล้วพอรถจอดกลางถนนเนี่ยหมูมก็พลิกตัวขึ้นมาเจ้าของรถก็ลงมาก็เลยแล้วก็ไอ้หมูมันก็นําพาไปที่บ้านผู้ชายคนนั้นก็ครอบตูบอกว่า คือเข้าประตูเพื่อเพื่อจะถามว่าไหมูนมันเป็นอะไรเหรอมันถึงมานอนอเงี้ยใช่ <c oughs> ที่เข้าประตูนี้แล้วเราฟังเสียงตอบเได้ยินเสียงร้องครางเนี่ยก็เลยรัเกิดเห็นไม่ดีแล้วเปิดเลยเปิดประตูเข้าไปเดชบุญนะเาไม่จะล็อกประตูนะมึงนอกบา ง, บางประทเทศไม่นอกไม่ลอ็ลอกประตูนะฮะเปิดไปก็เลยรว่ไป ป, ไป่วยไปโโหัวใจก็เลยไปเรียกคนมาช่วย ยมหมอบอกว่าเนี่ยถ้ามาช่วยชาสิบห้านาทีก็ตายแล้วก็หมูตัวนี้ก็ได้รางวัล น, นะได้รางวัลได้ได้ได้ไ ด, ไ ด, ไ ด, ได้ได้เหรียญ น, นะอันนี้เกิดเมื่อสักสามสี่ปีก่อนเรื่องจริงนะไม่ได่เรื่องเล่นคือหมูฉลาดนะแค่ขวบเดียวเนี่ยมันรู้แม้กทั้งว่ามันรู้ว่าจะต้องหาออกไปช่วยออกไปหาคนมาช่วยแล้วมันรู้ว่าจะต้อง ต้องขวางถนนคนถึงจะมาช่วยแล้วมันก็รู้ว่าต้องแก้งตายเนี่ยถึงจะได้ผลที่สุดน ะ, นะ <c oughs> อันนี้ก็ก็เป็นเรื่องว่าโรคหัวใจรอดรอดตายจากโรคหัวใจได้เพราะหมูนะ <c oughs> อั น, นมาพูดว่าความสัมพันธ์กับผู้คนเนี่ยนะ <c oughs> มันช่วยทำให้เป็นช่วยป้องเป็นยาป้องกันโรคได้ หรือเพราะโรคที่เกี่ยวกับหัวใจแล้วก็อาจจะช่วยเยียวยาได้ด้วยนะเขามีการเามีการศึกษาวิจัยนะเดี๋ยวตมาจะไล่เอามาให้ดูเขาศึกษานะผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะฮะแบ่งเป็นสองกลุ่มทั้งสองกลุ่มเนี่ยได้รับการรักษาตามมาตรฐานแผนใหม่ทุกประการ แต่ว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยให้มีการพบปะพูดคุยกันระหว่างคนไข้มีการทํากิจกรรมร่วมกันเอาคนไข้เนี่ยมาตั้งกลุ่มคุยกันนะมาเล็งเต้านมเนี่ยมาคุยกันมีการช่วยเหลือกิจกรรมกันสม่ำเสมออาทิตย์ละ90นาทีอาทิตย์ละชั่วโมงครึ่งแค่นี้เองนะฮะอาทิตย์ละชั่วโมงครึ่งทําอย่างนี้ไปหนึ่งปีอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็รักษาไปตามปกติคือต่างคนตา่นตางอยู่อะ อย่างที่เราเห็นในโรงพยาบาลนะฮะตามคนต่างอยู่ตามคนตาลรักษาอยู่บนเตียงนั่นแหละไม่มีกิจกรรมอะไรเขาพบว่ากลุ่มแรกเนี่ยมีอัตราการอยู่รอดมากเป็นสองเท่าของกลุ่มที่สองนะแล้วกลุ่มที่สองเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปห้าปีเนี่ยไม่มีคนใดรอดชีวิตเลยหมายถึงอัตราการอยู่รอดของคนกลุ่มที่สองนี่ไม่เกินห้าปีระยะห้าปีแล้วเนี่ยไม่มีใครอยู่รอดแต่กลุ่มที่หนึ่งเนี่ย สามารถจะอยู่รอดมีโอกาสมีโอกาสอยู่รอดได้นานนาน2 เ, เท่านะกลุ่มที่กลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยเามีการกิจกรรมพูดคุยกันนี่ขนาดแค่อทิต์ละ90นาทีนะอันนี้มันไม่เกี่ยมันใช้โรคหัวใจนี่เป็นมะเร็งเต้านมก็แสดงว่าไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยสัมพันธภาพเนี่ยมัน ม, มีผลต่อจิตใจนะต่อต่อผู้ป่วยนนี้เมื่อกี้จะมาพูดเรื่องจิตใจใช่ มาพูดเรื่องโรคหัวใจกับเรื่องของจิตใจนะที่มาหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยนะเขาเคยทำการศึกษาคนไข้โรคหัวใจขาดเลือดนะประมาณ 1,600 คนเขาพบว่าเมื่อเทียบกันระหว่างคนที่ที่ขี้โกรธคุมความโกรธไม่ได้กับคนที่มีความสงบเนี่ยมีอารมณ์สงบควบคุมตัวเองได้เนี่ย บอกว่าคนที่คนที่ชอบโกรดหรือควบคุมความกรัไม่ได้เนี่ยจะมีอัตราการกำเริบของโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยมากถึงสองเท่าสองเท่านะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในประเทศอเมริกาเนี่ยเขาเริ่มผันมาสนใจการเยียวยารักษาด้วยการฟืนฟ้นฟูด้านจิตใจ ไม่ใช่แค่ให้ยาผ่าตัดหรือว่าฉายแสงนะมีการส่งเสริมให้ทำกิจกรรมร่วมกันในหมู่ผู้ป่วยแล้วก็ส่งเสริมการสนับสนุนการสวดมนต์ด้วยนะข ว, ว่าเนียการสวดมนต์เนี่ยนะมันช่วยทำให้คนที่ผ่าตัดผ่าตัดใหญ่เช่นผ่าตัดหัวใจเนี่ยมี การฟื้นฟูได้เร็วขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็มีอัตราการตายน้อยลงในอเมริกาตอนนี้พบว่าผู้ป่วยเนี่ยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจเนี่ยเาพบว่าคนที่มีศรัทธาและได้กําลังใจจากศาสนานะคนที่มีศรัทธาในศาสนาแล้วก็ได้รับกำลังใจจากศ า, า, าสนาเนี่ย มีอัตราการตายน้อยกว่าคนที่ไม่สนใจาศาสนาถึง1ใน3หรือผู้ย่างนี้ก็คือว่าคนคนที่ไม่สนใจาศาสนาเนี่ยมีโอกาสตายมีโอกาสตายมากกว่าคนที่สนใจาศาสนาเนี่ยถึง3เทนะ่านะสเท่านะส่วนคนที่ไปวัดสม่มําเสมอก็มีอัตราการตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจน้อยกว่าคนที่ไม่ไปถึงครึงนะ่งหนึ่งใครที่ไปวัดสมัมเสมอแล้วนะนี่หมายถึงอเมริกานนะอเมริกานี่เขาไปทุกอาทิตย์ คนที่ไปวสม่ำเสมอเนี่ยไปสวดมนต์นะฮะไม่ได้ไปขอหวยนะรับไปขอหวยแนละ้ไม่ไม่รับรองนะแต่ถ้าไปสวดมนต์ไปทําสมาธิภาวนาหรือไปทําบุญเนี่ยมีโอกาสตา ย, ตายด้วยโลกหลอดเลือดหัวใจน้อยกว่าถึงครึ่งหนึ่งเลยแม้ว่าจะสูบบุหรี่เหมือนกันแม้ว่าจะมีปัจจัยทางเศรษฐกิจเหมือนกันนะอันนี้เนี่ย สุขภาพมันเป็นเรื่องเกี่ยวโยงกับ เ, เรื่องของจิดใจมากเลยนะแล้วเราพบว่าหลายคนเลยเนี่ยนะถ้าหาว่าเ็าจิดใจดีแล้วนะฮะแม้เขาจะป่วยด้วยโรครายเนี่ยบางทีเขาชี้เขาเหมือนกับปกติด้วยซ้ำนะ ในขณะที่บางคนเนี่ยเป็นเป็นโรคเป็นเป็นอาการปกติร่างกายปกติแต่ว่าจิตใจไม่ดีกังวลก็ทำให้มีโรคต่างๆหรือมีความเจ็บป่วยมีอาการต่างๆมากมายแต่บางคนเป็นมนเร็งบางคนเป็นโรคหัวใจแต่จิตใจเนี่ยสบายเขากลับมีชีวิตท่าสุข อาจจะิงกคนปกติด้วยซ้ําเคยได้ยินไหมฮะที่คนหลมีบางคนบอกว่าเนี่ยโชคดีที่เป็นเป็นโรคมะเร็งอ่ะโชคดีที่เป็นมะเร็งเคยได้ยินไหมไม่เคยใช่ไหมอาตมาเจอหลายคนเลยทำไมโชคดีฮะมีมีบางคนบอกโชคดีที่ที่ตรวจเจอมะเร็งเมื่อที่ที่แล้วนี่ไปเจอหมอคนหนึ่งนะ อยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎอายุหกสิบแล้วนะไล่ฟังก่าเนี่ยนะไปตรวจสุขภาพรอกว่าไปเจอก้อนมะเร็งไปเจอไปเจอเม็ดมันเป็นก้อนเล็กๆกันนะอยู่ที่หน้าอกพอแกรูกข่าวแกบอกโชคดีทำไมโชคดีซะแม้โชคดีที่พบ ตอนที่มันยังในในขั้นแรกโชคดีที่พบค่ะที่มันเพิ่งเริ่ ม, มก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะรักจะรักษาได้คนบางคนที่พอเจอเนี่ยก็หมดแรงแนละ้วแต่คุณบองคนที่บอกโชคดีที่เจอเพราะว่ามันยงเจอในมันอยู่ในระยะแรกถ้าเจอหลังจากนั้นนี่ไม่แน่ใจแนะ้วอาตมาเคยไปอาตมาจัดอบรม ผู้ป่วยระยะอบรมการประเชิญความตายนะอย่างสงบเคยได้ิการอบรมแบบนี้ไนะประเชิญความตายอย่างสงบเป็นเป็นโครงการซึ่งซึ่งมีโรงพยาบาลหลาโรงพยาบาลสนใจเดือนหน้าจะไปอบรมให้กับพยาบาลแล้วก็หมอที่โรงพยาบาลจุฬาประชิญความตายอย่างสงบครั้งนึ่งก็จะมาไปอบรมที่ หลงที่มอมอมออหัตใหญ่โรงพยาบาลโรงพยาบาลหัดใหญ่อบรมเสร็จก็ให้อาสาสมัครนี่ไปเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายผู้ป่วยหนักอาสาสัาาาาสคคนนี้ก็ไปเจอเด็กอายุ14นะผมกันร่วมกันเลยนะผมร่วมหมดนี่ก็เดาออกนะครับเป็นอะไรหรือวเจอเจออะไรมา เด็กคนนั้บอกว่าแกเป็นมะเร็งสมองแต่ว่าถ้าทางแกเนี่ยมีแจ่มสาสมากเลยพูดคุยได้ปกติสีหน้าก็สดชื่นคุยไปคุยมาแกก็บอกแกโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมกลุ๊ปมะลู ก, ลกเพราะว่า ญาติเนี่ยเป็นมะเร็งมนลูกแล้วก็ปวดมากเลยบอกแกโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองนะเด็กอาสิบสี่นะหลายคนเนี่ยพูดว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งด้วยสาเหตุต่างๆกันอาตมาพูดถึงสองกรณีบ้างเขาบอโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะว่าทำให้ได้คนทำให้ได้หันมาพบธรรมะหันมาสนใจธรรมะทำให้ พบคุณค่าความหมายของชีวิตเพราะว่าก่อนจะเป็นบัณฑ็ตเนี่ยก็เอาแต่ทํามาหาเงินไม่มีเวลาให้แก่ตัวเองไม่มีเวลาแม้ก็ต้องให้กับครอบครัวเสร็จแล้วพอเป็นบัเฑิงเข้าทีแลกประตกใจแล้วก็ตั้งสติขึ้นมาได้ก็รู้ว่าชีวิตนี้ยังมีเวลาเหลืออยู่ในโลกไม่นานก็เลยหันมาสนใจเรื่องธรรมะ สนใจแล้วก็มาปฏิบัติธรรมก็ค้นพบความสุขในจิตใจแล้วก็ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นก็ทําให้ได้เช่นที่มีความสุขมีความสุขมากกว่าตอนที่ก่อนจะเป็นมะเร็งสิอาตมาได้พบแล้วก็ได้ยินเรื่องราวของคนซึ่งมีความสุขมากกว่าตอนที่ยังไม่เป็นมะเร็ง นะแล้วเขาเป็นมีชีวิดดาเนินปกตินะฮะชืวิตเขายัางดำเนินตามตามปกตนะิอันนี้เนี่ยถามว่าถ้าเรานิยามว่าสุขนิยามว่าสุขภาพคือความไม่มีโรคเนี่ยคนคนนี้ก็มีสุขภาพไม่ดีแต่ถ้าเรามองหมายว่าสุขภาพนี่หมายถึงการมีชีวิตที่ผาสุกนะ คนคนนี้เนี่ยคือคนคนหลายคนที่อาจารย์มาพูดมาเนี่ยก็ถือว่ามีสุขภาพดีนะจริงอยู่เขายังมีเขายังมีมะเร็งอยู่ในตัวเขายังมีโรคหัวใจอยู่ในร่างกายแต่ว่าเขาสามารถดาเนินชีวิตตามปกติได้นะอย่างนี้เราจะเรียกเขาเป็นคนป่วยได้ไหมนะคน สุขภาพเนี่ยกลายมีสุขภาพดีไม่ได้หมายความว่าความไม่มีโรคหลายคนที่หลายคนที่หลายคนที่ที่ตอนนี้เนี่ยในที่นี้ที่ที่อาจจะคิดว่ามีสุขภาพดีเนี่ยอาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายก็ได้แต่ว่าก็ยังทำงานได้ปกติใช่ไหมอันนี้เราก็เรียกว่ามีสุขภาพดีได้เหมือนกัน อาจมามีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเขเป็นมะเร็งมะเร็งเต้านมเนี่ยแล้วเขาก็เขารักษาชีวิตจิตเขาไม่ได้รักษาตัวตามการแพทย์สมัยใหม่มีคนถามเขาว่ารักษาชีวิตจิตเนี่ยหายเปล่ารักษาชีวิตจิตแล้วเนี่ยก้อนมะเร็งนี่มันหดไปไหมมันหายไปไหมแกบอกไม่รู้ หายหรือเปลาไม่รู้แต่แกรู้สึกว่าชีวิตแกรมีคุณภาพดีขึ้นอย่างนี้เราจะเรียกได้ั้มว่าเขามีสุขภาพดีสุขภาพมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่ามันมีก้อนมะเร็งอยู่ในตัวหรือเปล่านะบางคนไม่มีแต่ว่าทุกข์เพราะกังวลหรือไปคิดว่ามีเพราะหมอวินิจฉัยผิด นะมีหลายคนเลยเนี่ยที่ไม่ป่วยหนักแล้วก็ไปหาหมอนะหมอก็เอาเนื้อเยื่อไปตรวจระหว่างที่ยังไม่รู้เนี่ยว่าเนื้อเ ย, อนเนยอเื่อนั้นเนี่ยไอ้เนื้อนั้นนี่ยมันเป็นมะเร็งหรือเปล่าเนี่ยระหว่างที่รออยู่สามวันห้าวันเนี่ยชีวเหมือนคนตายเลยพระไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่า แล้วก็อาจจะไม่เป็นบันเลงด้วยแต่ในในช่วงนั้นเนี่ยนะเหมือนก็ตกนรกเลยสถางที่สุขภาพก็ดีร่างกายก็ดีนะร่างกายไม่มีโรคเพียงแต่กลัวว่าจะมีโรคเพียงเท่านี้นี่ก็สุขภาพก็ย่ำแย่แล้วแต่คนบางคนเนี่ยเขามีเชื้ออยู่ในร่างกายแต่เขาแจ่มซสเกาปกตินะอาตมาวันเนี่ย เราก็เรียกว่าสุขภาพดีเหมือนกันที่พูดนี้ตะมารวมไปถึงคนคนทิการด้วยนะที่ว่าตมาเนี่ยมีคนทิ่การคนหนึ่งซึ่งมาอยู่วัดปีละหเดือนหรือว่าสามเดือนเนี่ยแกทิการตั้งแต่คอลงมาเลยนะฮะเพราะอุบัติเหตุ ตอนอายุีสิบสี่ในช่วงสิบปีแรกนี้ทุกข์มากเลยวันวันนึงเนี่ยอยู่เหมือนกับรอรอวันตายรอวันตายเพราะว่ามันไม่มีทางรักษาหายอะ่ะแล้วก็จะทำอะไรก็ไม่ได้ต้องให้คนมาอุ้มให้พ่ออุ้มให้แม่อุ้มไปเข้าห้องน้ำจะฉี่ก็ต้อง ให้คนมาช่วยนะแล้วพ่อแม่ก็อายุมากแล้วแต่ต่อมาแกสนใจเรื่องธรรมะขึ้นมามก็อ่านนี่คือธรรมะอ่านแล้วใจก็สบายแต่พอเลิอกอ่านเมื่อไหรใจก็ทุกข์<ม>ก็เลยรู้สึกว่าอ่านหนังสือธรรมะไม่พอแล้วต้องปฏิบัติธรรมด้วยแ<ม>กก็เลยปฏิบัติธรรมท ำ, มทำยังไงอะ ขยับมือไปมาให้รู้ตัวระหว่างที่เราเื่อมือเนี่ยนะบางทีใจก็เผลอนึกไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่เป็นไรพอรู้เมื่อไหร่ดึงกลับมาอันนี้คือฝึกสติฝึกสติก็ฝึกจนกระั่งมันรู้ทันความคิดรู้ว่าความคิดก็อันหนึง่งสติก็อันหนึง่ง ใจรู้จนกระทั่งเห็นว่าแยกกายกับแยกกายกับใจออกจากกันได้หมายความว่าไม่ได้ถอถอดจิต น, นะหมายความว่าไอ้ที่เราทุกเนี่ยมันกายทุกไม่ใช่ใจทุกกายทุกแต่ใจไม่ทุกนี่ได้แต่เนื่องจากไม่มีสติใจก็เลยไปทุกตามกายเห็นกระทั่งว่าโอ้ ไอ้พิการเนี่ยมันกายพิการแต่ใจไม่ได้พิการด้วยพิการแต่กายแต่ใจไม่พิการแกบอกว่าพอเตรงนี้เนี่ยจิตเลาจากความพิการเลยลาออกจากความทุกข์เลยนะผลปรากฏว่าอาจารย์กมพนิการเป็นคนที่คนที่มีจิตใจแจ่มใสแกเขียนหนังสือเล่มชื่อแกเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าจิตแจ่มใสแม่กายพิการจิตสดใสแม่ไายพิการะ พิมพ์มาลูกหลายครั้งแล้วแล้วมีคนทําเป็นหนังด้วยทำเป็นซีดีเป็นคนที่มีความสุขมากว่าคนที่มีอาการควบสามสองทีนีนะ้ที่เวลาแกมาทุกวันจะมีคนมาหาอาจารย์กําพลมาปรึกษามาระบายความทุกข์ให้ฟังคนที่มีอาการสามสองเนี่ยกลับมีความทุกข์มากกว่าคนที่คิดการอย่างอาจารย์กําพลมีบางคนหนึ่งก็บอกเลยว่าท่านแรกกันนะถ้าถ้า ถ้าอาชีวิตแร ก, ก ม, ามาเป็นอย่างอาจารย์กำพลนะที่การอย่างอาจารย์กำพลแต่ว่ามีความสุขอย่าอาจารย์กำพลนะผมเอานะผมยอมทิ่การนะอย่างนี้เราจะเรียกเขาเป็นคนสุขภาพไม่ดีได้หรือเปล่านะบางทีก็พูดยากนะเพราะสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องกายเป็นเรื่องใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการดำเนินชีวิตเนี่ยนะ ภูมิปัญญาไทยเนี่ยนะเขจะเน้นมากเรื่องของการดำนินชีวิตนะให้กลมกลืนทั้งแง่ของกายจิตสังคมสังคมไปถึงสามรรถภาพาแล้วก็รวมทั้งปัญญาคือความรู้ความเข้าใจอย่างอาจารย์อภพลแกรู้ควาเข้าใจว่าไอสิ่งที่ทุกข์ไอความทุกข์จะมันทุกข์กายไม่ใช่ทุกข์ใจแต่เพราะความไม่มีปัญญาเพราะความหลงเราไปยึดเอาว่าเป็นเราเป็นของเราความทุกข์เป็นของเร า, คว า, เเราความเจ็บเป็นของเราความพิการเป็นของเรา ไอ้กวนเป็นยึดก็เป็นตัวกวางกูเนี่ยเป็นความทุกข์มากเลยนะมอยถึงขั้นนั้นนะแต่ถ้ายังมอไปถึงขั้นนั้นไม่เป็นไรเพียงแต่เข้าใจว่าเพียงแต่ย้อนเล่าความทุกข์ความเจ็บความป่วยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติแค่นี้นี่มันก็ช่วยทําให้เราหายทุกข์ได้เยอะแนละ้วคนเราเวลาทุกข์แล้วเนี่ยเราทุกข์เราไม่ได้ทุกข์กายแต่เ ร, เราทุกข์ใจด้วยผู้เจ้าเปลี่ยนมากว่าโดนธนูสองดอกนะธนูดอกแรกคือความทุกข์กายธนูด อ, ดอกที่สองคือความทุกข์ใจ แล้วส่วนใหญ่เวลาป่วยเนี่ยมันไม่ได้แค่ป่วยกายเนยป่วยใจด้วยเจอธนู2ดอกแต่เราสามารถที่จะลดความทุกข์ได้โดยการเอาธนูดอกที่สองออกไปเสียก็คือไม่ทุกข์ใจและเมื่อเราไม่ทุกข์ใจแล้วเนี่ยความทุกข์ทางกายก็จะดีขึ้นดีขึ้นในสายวิการเนี่ยมีคนหนึ่งนะ เป็นชื่อว่านั ก, กูลปิตานั ก, กูลปิตานี่แกป่วยป่วยหนักแล้วก็ป่วยหยากจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะภรรยาก็ก็เลยพูดกับนั ก, กูลปิตาว่าถ้าจะไปก็อย่าได้เป็นห่วงนะอย่าได้เป็นห่วงตัวฉันนะว่าจะเลี้ยงลูกไม่ได้จะเลี้ยงดูครอบครัวไม่ได้ อย่าได้เป็นห่วงนะว่าฉันเนี่ยนะจะไปมีผู้ชายคนอื่นอย่าได้เป็นห่วงนะว่าฉันจะไม่ไม่ดูแลเอาใจใส่พระพุทธเจ้านะคือข้าแก้วนคนนกุบิตานคนที่ศรัทธาในพระเจ้ามากอย่าได้เป็นห่วงว่าเราจะไม่มีฉันจะไม่จะไม่ไปหาอุปธรรมพระพุทธเจ้าอย่าได้เป็นห่วงนะว่าฉันจะ จะไม่มีศีลอย่าได้เป็่วงว่าฉันจะไม่ไม่ปฏิบัติตามของสองของพระเจ้าผู้เช่นนี้เนี่ยพูดจนกระทั่งแล้วคุณปิดตาเนี่ยหายห่วงพอหายห่วงปรากบว่าแกหายเจ็บเลยลุกขึ้นมาเลยคือพอใจสบายแล้วเนี่ยร่างกายก็ดีขึ้นร่างกายก็ดีขึ้นด้วยจิตใจบางที่เราเรียกว่าธรรมโอสถธรรมะเราเรียกว่าธรรมโอสถคือพอจิตใจมันหายห่วงวเนี่ยสบาย บางคนตายาตายอย่างทุรนทุรายเพราะว่าใจใจไม่สงบเพราะมีความห่วงกังวลแต่บางคนเนี่ยสงบเมื่อจิตใจเนี่ยเกิดความสบายแลเรื่องเรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยสำคัญมากนะที่เราต้องให้ความสําคัญแล้วก็เรื่องสมรรถภาพเรื่องของผู้คนการดูแลใจใส อ, อันนี้เรื่องของจิตใจมันก็โยน์ในเรื่องการสวดมนต์นะสวดมนต์นี่ก็ช่วยได้มากนะ เราคงได้ยินได้ฟังเรื่องราวในสาร ว, วัตรการที่ว่าพอสวดมนต์โดยพอสวดบทพูดชงแล้วก็หายพระษาวกนะก็หายนะเมื่อพุทธเจ้าได้สาธยายโพูดชงหรือแม้แต่พุทธเจ้าเองเนี่ยเมื่อมีสาวกเนี่ยลาสาว v มาพูดเรื่องมาบรรยายมาสวดพูดชงพระองค์ก็หายป่วยบทสวดมนต์ที่สําคัญถามว่าศพมันมันเกี่ยวข้องยังไงนะ บางคนก็ว่ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับจิตใจบางคนก็ว่ามันเกี่ยวเกี่ยวกับคลื่นอันะนี้มีอ น, นึ่งที่อาตมาเชื่อน่าสนใจนะซึ่งอาตมาเอาเอารูปมาให้ดูนะบางคนสงสัยไอ้รูปไอ้รูปข้างหลังนี่มันคืออะไรนะอันนี้กเ็เป็นรูปที่ที่ปุ่นก็ถ่าย ม, มาได้นะมันมันเกี่ยวข้องกับ อันนี้คือเกล็ดคือผลึกน้ําแข็งจากน้ําในที่ต่างๆนะเดี๋ยวตมาจะให้ให้ดูว่ามันมันมันเกี่ยวข้องกันยังไงนี่เป็นเครื่องเครื่องตรวจผลึกน้ําแข็ง นะคือเวลานี้เขาเขาเข า, เขาเพบว่าไอ้น้ำเนี่ยน้ำเนี่ยมันมีปฏิกิริยากับกับเสียงกับเพลงกับบทสวดมนต์นนะและปฏิกิริยาเนี่ยเขาดูสังเกตได้จากผลึกผลึกน้ำแข็ง นะนี่เป็นผลึกซึ่งมันเป็นหกเหลี่ยมนะแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผลึกเนี่ยมันจะไม่สวยเนี่ยเพราะมันมาจากเป็นผลึกที่เป็นน้ําน้ําที่เป็นมลพิษเนี่ยนะน้ำจากแหล่งที่เป็นมลพิษเนี่ยมันจะไม่สวยแลนะ น, นี่มาจากเมืองคานาสวะดูเสียว่ามันเป็นผลึกยังไงนะน้ําจากน้ําที่เป็นมลพิษ นาโกย่านะมันจะไม่ไม่ไม่สวยเท่าไหร่เลยไม่ไม่เป็นหกเหลี่ยมแต่หน้าที่สวยเนี่ยที่มันจากแหล่งบริสุทธ์เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยจะสวยนี่จาก New York. นิวยอร์กนี่แวนคูเวอร์ไอท้ที่ให้เห็นเมื่อกี้นี่มันมาจากเมืองในญี่ปุ่นนะฮะนี่เป็นน้ําู้น้ำผู้นะ นี่ก็น้ำพุน้ำพุธรรมชาติไม่ใช่น้ำพุที่บ่งเวียนนะน้ำพุนะธรรมชาตินะคือไอ้น้ำเนี่ยที่ทเราเห็นว่ามันใสเหมือนกันนั้นะเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันมีผลึกที่ต่างกันนี่น้ําพุในฝรั่งเศสน้ําใต้ดินจากนิวซีแลนด์นี่ไม่น้ํำในญี่ปุ่นนะ คือ น, น้ำอย่างเดียวกันเนี่ยพอมาทําพื้นน้าแข็งแล้วเนี่ยมันจะต่างกันตอนนี้เนี่ยประเด็นมันสําคัญเนี่ยคือเวลานี่เป็นน้ําที่เกิดจากการฟังเพลงนะพอนน้ำเนี่ยเอาเพลงเพราะๆใส่เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพลงเพราะๆนะเพลงฟังเพลงนะแต่ถ้าเพลงแบบแรงๆจะเป็นอย่างเงี้ยเพลงแบบเฮฟวี่เฮฟวีเป็นอย่างเงี้ยนะ นี่เป็นเพลงที่เขาใช้รักษาโรคนะเพลงเพลงที่เขาใช้รักษาโรคเนี่ยมันก็จะมีผลต่อผืน้ำแข็งแบบนี้เพลงสวดมน์นี่เพลงสวดมน์นะน้ำแข็งจะเป็นอย่างเงี้ยนี่เพลงรักษาอ่นี่เพลงรักษาโรคเมื่อกี้นี้เพลงสวดมน์นะเพลงระบำนะนี่เพลงหนักหนักะเพลงหนักหนักเป็นเงี้ย มันไม่เป็นมันไม่มันไม่เป็นผลึกเลย mm hmm. เขาเขียนเนี่ยเขียนข้อความว่าชอบคุณนะใส่ไม่ในขวดนี่ขวดนะแล้วเขียนข้อความว่าชอบคุณเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยน้ำแข็งมันเป็นอย่างไงสวยขอบคุณในภาษาอังกฤษ thank you mm hmm. เกาหลีขอบคุณ ไ อ, อ, อ, อ้อง โ, อโออง่ไอ้โออง่เขียนว่าไอ้โง่ไอ้โง่เป็นภาษาอังกฤษนะโกรธโก t h นะแล้วลองสังเกตดูมันรักความรักความชื่นชมวิญญาณวิญญาณนี่ไม่รู้ว่าวิญญาณเป็นภาษาญี่ปุ่นนะปีศาจคำเทวดา มนัมนมันตัวมัดอกลูกดอกสกบุลละเอาลูกสารเจ้ามาป่านะเอารูปดอกสกุลลเนี่ยมามาหรือรูสกสารเจ้านี่มาปะมาติดไว้ข้างข้างข้างขวดมันก็จะสวยนะนี่ลูกสารเจ้าแล้วทั้งหมดนี่หมายความว่าไงหมายความว่าน้ำเนี่ยมัน ในร่างกายนี่เรามีน้ำอยู่ประมาณ 70-80% นในร่างกายเรามีน้าอยู่ประมาณ 70% 80, 80ิเรพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไอ้ทฤษฎีนี้เป็นจริงเนี่ยนะหมายถึงว่าน้ำนี่มันมีมปฏิกิริยาตอบสนองกับสิ่งที่เราได้ยินได้เห็นได้ฟังเนี่ยถ้าเราได้ยินได้ฟังได้เห็นสิ่งดีๆนะถ้าเราได้ยินได้ฟังได้เห็นสิ่งดีๆใจิตใจเราน้ำในตัวเราก็จะดีด้วย มันไม่ได้แค่จิตใจสบายอย่างเดียวนะน้ำในตัวเราก็จะก็จะดีด้วยอันนี้เป็นไปได้ไหมว่าเวลาเวลาเราสวดมนต์เนี่ยเมื่อเวลาเราสวดมนต์เนี่ยไอการสวดมนต์เนี่ยมันไม่เพียงแต่ทำให้จิตใจเราสบายคือเป็นสมาธิเท่านั้นแต่ว่ายังจักที่มีผลต่อต่อน้ำในร่างกายของเรา ในเซลล์ของเรามีน้ําอยู่เยอะเลยการสบมันก็จะทำให้น้ําในรังงังเรานี่ดีด้วยซึ่งก็จะทําทให้เรามีสุขภาพดีหรือว่ามีภูมิคุ้มกันมีภูมิต้านทานโรคด้วยถ้าเราฟังแต่เพลงแรงๆหรือว่าฟังแบบคาําด่าหรือว่าพูดจาไม่ไพเราะเนี่ยมันก็มีผลต่อน้ําในตัวเราด้วยนะอันนี้อจจะเราถึงน้ํามนต์เนียนะน้ำมน การที่เอาน้ํามนต์มามามาพรมให้แกเราเนี่ยหรือการที่เราไปฟังพระสวดมนต์เนี่ยมันก็มีผลต่อต่อน้ําในร่างกายของเราได้เหมือนกันคนที่ทํานี่นะฮะเขาเคยมาเอาน้ําที่วัดป่าสุกโตวัดเทตมาเนี่ยอยู่เนี่ยไปตรวจเพราะที่วัดเทตมามีท่าญี่ปุ่นเ้าก็มาตรวจแล้วก็เอาน้ําจากในหมู่บ้านเนี่ยไปตรวจด้วย บอกกันว่น้ำเนี่ยน้ำที่วันเนี่ยซึ้ดวยเพราะที่อยู่ข้างข้างสาราธรรมวัดเนี่ยมันจะสวยเป็นหกเหลี่ยมแต่น้ําจากโอ่งของชาวบ้า น, นจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพื่อนอาจารมาไม่ ไ, มได้ไม่ได้ถ่ายรูปไม่ให้ดูเขพิมพ์เป็นหนังสือนอะเป็นภาพเปรียบเทียบระหว่างวัดน้ําจากวัดป่าสุประตูแล้วก็จากจากจากหมู่บ้าน ใกล้ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เราสวดมนต์ก็ดีเราไปฟังพ่ะสวดมนตก็ดีหรือการที่เราปาบพรมน้ำมนต์ก็ดีนี่อาจจะมีข้อดีไม่ใช่แต่ในทางกายนไม่ใช่แต่ในทางจิตใจอย่างเดียวแต่ในทางกายด้วยอาตมาก็พูดมาพอสมควรแล้วนะสรุปก็คือว่าเรื่องของเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะภูมิปัญญาไทยเราให้ความสำคัญกับเรื่องของกายจิต แล้วก็สมรรธภาพมากนะการที่คนไทยสมัยก่อนเนี่ยมีค่านิยมเรื่องการทำบุญก็ดีนะมีค่านิยมเรื่องการเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็ดีไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ได้มีผลทาแค่แค่ทำให้ชุมชนสงบสุขเท่านั้นนะแต่ว่ามันมีผลต่อสุขภาวะในชุมชนด้วย การที่คนเราเนี่ยเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีผลต่อจิตใจมีผลต่อสุขภาพของเราดังนั้นถ้าเราอยากจะมีสุขภาพดีเนี่ยนอกจากการกินอาหารอย่างถูกต้องการออกกำลังกายการรู้จักหาความสบายอย่างประมาณอย่างพอประมาณไม่เพลิดเพลินในความสบายมากเกินไปแล้วเนี่ยการที่เราใช้ชีวิตยอย่างมีอย่างถูกต้องคือมีศีลมีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีการทําสมาธิภาวนา มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็มีผลต่อสุขภาพของเราด้วยเหมือนกันคนสมัยก่อนที่เขาอายุยืนก็เพราะเขามีน้ำใจอย่างอาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านเล่าว่าเวลาตอนเด็กๆเนี่ยท่านไปไปไปเฝ้านาแม่ก็จะให้คาถากันขโมยเอาไว้คาถาหนึ่ง ภาษาการขโมยน่าสนใจนะฮะใครอยากได้ก็อจําจไว้ดีๆนะฮะถ้ามองว่านกกินก็เป็นบุญคนกินก็เป็นทานให้นกกินก็เป็นบุญนะคนกินก็เป็นทานถ้าทํานี้ได้เนี่ยจะไม่มีอะไรเป็นขโมยเลยเนี่ยคือเขาเออเพื่อผือแผงเนี่ยให้นก บ, บ้างให้คนบ้างนะจิตใจก็เลยสบายไม่ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ ไม่ถูกเผาล้นด้วยกิเลส ต, ตันหาสมัยนี้นี่เงินหายสิบบาทร้อยบาทก็ทุกข์แล้วนะซื้อของซื้อของแพงกับเพื่อน5บาท10บาทก็กุ้มใจแล้วนะไม่รู้จักปล่อยวางสังนะงมังนะเราฝึกปล่อยวางสักมังนะเพื่อนเขาจะมีโทรศัพท์มือถือดีกว่าเราก็ช่างเขานะอนุโมทนาให้เขายินดีให้เขาช่วยเหลือเกอื้อกูลกันไปนะ อันนี้แหละก็จะทำให้ชีวิตเกิดความสงบสุขได้เอาเราจมาพอพูดพอสมควรแล้วต่อไปก็ถ้าใครสนใจ ก, ก็ขอเชิญซักถามก็แล้วกันเป็นคาถามอครที่อยากจะเรียนถามอาจารย์เป็น ส, ปสายนครับ